วันนี้ผมได้เดินทางมาจากขอนแก่นมาถึงวัดสนามไนวันนี้เป็นวันที่สองพฤศจิกาตรงกับวันจันทร์พวกเราที่มาวัดสนามไนนี้ต้องมีอุดมการคือมาประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อความเข้าใจให้รู้แจ้งรู้จริงที่แรกต้องมีการรู้จาฟังก็รู้จําการฟังแล้วก็รู้จักวิธีที่ทําเมื่อรู้จักเมื่อรู้จารู้จักแล้วต้องทําให้รู้แจ้งรู้จริงที่วิธีที่ผมเคยทํามาตัวอย่างบ้านผม การปฏิบัติธรรมนั้นไม่ต้องศึกษาอะไรให้มากแต่ต้องทำวิธีที่ผมให้ทำนั้นคือพลิกมือขึ้นคว่ำมือลงเรียกว่าทำจังหวะชา้ชาๆเพราะว่าคนทางน้นไม่มีการศึกษาเพราะคนทางนั้นเป็นการทำนาทำสวนไม่เคยคิดไม่เหมือนกับคนกรุงเทพ อย่างนั้นวิธีสอนนั้นจะทำเหมือนกันก็ได้หรือไม่ทำเหมือนกันก็ได้ผมคิดว่าคนกรุงเทพมีการศึกษาสูงบางคนก็ศึกษาอย่างน้อยต้องมศ .5 หรือปริปริยาตีโทปริยาเอกในั้น่งความคิดนั้นคงจะไม่เหมือนกัน เพราะว่าทางนี้ต้องประสบการณ์กับการศึกษามามากดังนั้นการปฏิบัตินั้นที่สุดแล้วก็ต้องอันเดียวกันการลิเริ่มนั้นอาจจะไม่เหมือนกันตัวอย่างที่คนภาวนาทํากรรมฐานมาพุโทโธก็ตามอรหังก็ตามพผองยุกก็ตามเรียกว่าวิปัสนาทั้งนั้นวิปัสสนานั้นเขาเรียกว่าการเห็นแจ้งรู้จริง วิปัสนาไปว่ารู้แจ้งรู้จริงหรือเห็นแจ้งเห็นจริง่ปอย่างนั้นดังนั้นการเห็นแจ้งเห็นจริงรู้แจ้งรู้จริงนั้นเป็นเพียงตาลาพูดมาเท่านั้นวิธีที่ผมพูดนี้ใครจะพูดอย่างไรก็าตามผมเสื่อมั่นในใจตัวเองวัติติคือค่มเห็นค่มเห็นผมเข้าใจอย่างนี้ ต้องมาดูควมคิดอันนี้พูดง่ายๆสั้นๆคือมาดูควมคิดไม่ต้องดูลมหายใจวิธีอื่นๆนั้นดูลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้อ น, นังกดีผมเคยทำมาเหมือนกันแต่มันยังมีความพอใจและไม่พอใจ พูดง่ายๆก็เรียกว่าความโกรความโลภความหลงยังมีอยู่เหมือนเดิมในขณะที่เราเป็นนั่งทำกรรมฐานอยู่คนเดียวหรือจะหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ไม่มีอารมณ์มากระทบก็ยังไม่มีความพอใจเลยไม่พอใจวันนี้ตกวิธีที่ผมทำนี้ไม่ต้องดูลมหายใจทีนี้ ทำความเห็นแจ้งรู้จริงถ้าพูดว่าทำความเห็นแจ้งรู้จริงนี่บางคนอาจจะสงสัยขึ้นมาว่าเห็นอะไรรู้อะไรถ้าพูดว่าเห็นอะไรรู้อะไรแล้วเราก็มาคิดคำหนึ่งถึงเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ากับพบระวักกะลิกอยู่ด้วยกันพระวักกะลิกนั้นตอบพระพุทธเจ้าแต่ไม่เข้าใจธรรมะ พระพุทธเจ้าก็เลยพูดกับพบระวกกะลิกว่าแต่ตอนที่บันนมให้พระวกกะลิกหนีนี่ไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่าทุกคนคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาพอสมควรพระพุทธเจ้าพูดกับพบระวกกะลิกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับ้ายจีวรของเราอยู่ก็ไม่เห็น เพราะว่าไม่เห็นธรรมนั่นเองอันนี้คนส่วนมากเมื่อเห็นธรรมก็ต้องเห็นสีเห็นแสงเห็นนรกเห็นสวรรค์หรือเห็นผีเห็นเทวดาหรือเห็นลูกแก้วเห็นพระพุทธลูกลอยมาอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้ข่มคิดคําว่าเห็นธรรมนี่ก็ต้องเห็นข่มคิดนั่นเอง เห็นลูกกายกำลังนั่งกาลังยืนกำลังเดินกาลังนอนกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดความเห็นของผมเข้าใจไปในทํานองนี้ดังนั้นจึงเห็นความคิดตัวเองนี่แหละคือเห็นธรรมส่วนลึกเข้าไปทีแรกก็ต้องเห็นการเคลื่อนไหวของลูกกายเป็นสันเปือกๆคนอื่นมองเห็นได้เส้น เราเคลื่อนไหวทางลูกกายทิศตาลึกกำมือเหยียดมือหายใจเข้าหายใจออกกืนน้ำลายเข้าไปในลําคอเนี่ยอันนี้คนอื่นมองเห็นส่วนจิตใจนั่นคนอื่นมองไม่เห็นแม้ตัวเราเองก็ยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เมื่อเรามาเห็นมารู้อันนี้ก็เรียกว่าธรมส่วนลึกเข้าไปตามขั้นตอนที่แรกต้องรู้จักเรื่องสมมติ เมื่อรู้จักเรื่องสมมุติแล้วเราก็จะไม่ติดสมมุติแบบ น, นี้เรามายเห็นต้นต่อของชีวิตของเราแล้วเพราะชีวิตนี่แหละมันไม่เคยมีทุกตัวความคิดจริงๆมันก็ไม่เคยมีทุกตัวที่มีทุกเกิดขึ้นนั่นคือความหลงผิดเท่านั้นความหลงผิดนั้นคือมันนึกมันคิดขึ้นมามันก็ลิบปรุงไป เราเลยไม่มาดูผมคิดนี่เองบบบนี้วิธีปฏิบัติง่ายๆอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้จะหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ถ้าหากว่าเราหลับตามันมีประโยชน์ท่าน เ, เอาไปใช้กับการกับงานได้ก็ต้องหลับถ้าหากว่าหลับตาแล้วไปทําการทํางานไม่ได้ เราจริ่มนิพพัฒนาอยู่แต่เอาไปใช้กับการกับงานไม่ได้เราก็ไม่ต้องทําวิธีหลับตาถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไปนั่งหลับตาภาวนาถ้าหากว่าเรามีทองคําถ้าเราหลับตาอยู่มีผู้ล้ายมาเอาทองคําหรือมีขโมยมาเอาทองคำํำเราไปทองคํำเราก็หายไปอันนี้เด็กๆ ก, ก็รู้ผมถามเด็กอายุเจ็ดปีมากับพ่อเขาวันนี้ ถ้าไปนั่งหลับตาถ้ามีทองคําอยู่ประมาณกิโลก็ตามสองกิโลก็ตามเอามาไว้ที่ตรงหน้าเราเราหลับตาเมื่อคนมาเอาทองคําเราไม่เห็นทองคํานั้นโดยหายไปถามเด็กๆ เ, เขาว่าทองคําหายไปนี่เป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นโทษเขาว่าอย่างนั้นถ้าเป็นโทษเราจะทําไปเพื่ออะไรการนั่งหลับตา ก็เลยพูดเด็กๆเขาก็รู้แต่พอเขาเคยทํากรรมฐานนั่งหลับตามากับอาจารย์นั้นอาจารย์นี้แต่ไม่ต้องพูดเรื่องอาจารย์พูดให้เขา mm. เขาก็เลยรู้เรื่องเพราะลูกเขาก็รู้การ น, นั่งหลับตานั้นใช้ประโยชน์ได้น้อยมันไม่ได้มากเขาก็เลยพูดขึ้นมาอีกคํานึ่งวนะ่าถ้าหากว่าจะริญมนิพพานแล้วไม่ต้องมีตัวมีตนไม่ต้องห่วงไม่ต้องสิดายเขาว่าอย่างนั้น ถ้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสียดายไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็ต้องลือเสื้อลือผ้าได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องมีตัวไม่มีตนไม่ต้องนุ่งเสื้อนุ่งผ้าก็ได้และไม่ต้องกินข้าวก็ได้ไม่ต้องหาเงินหาทองก็ได้พูดอย่างนี้เขาให้ถ้าไม่หาไม่ได้กินเขาวก็อย่างนั้นถ้าหามาแล้วก็ต้องควรรักษาพระพุทธเจ้าท่านสอนมาให้ทุกคนรู้จักหน้าที่การงานผมก็เลยพูดอย่างนี้เขาให้ เมื่อพูดไปหลายเรื่องเขาก็เลยเข้าใจคําว่าวิปัสสนานั้นไม่ได้หมายถึงการไปนั่งโดยเฉพาะวิปัสนาเปว่าการเห็นแจ้งรู้จริงที่รู้จํานั่นคือผมหรืออัตมาได้พูดให้ฟังว่าต้องดีมีสติมาดูความคิดตั้งตัวให้ดีมีสติมาดูความคิดอันนี้รู้จํา รู้จักวิธีดูความคิดบันนี้มันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอันนี้แปลว่ารู้จักรู้จักแล้วเราก็ต้องสลัดทิ้งบันนี้รู้แจ้งรู้จริงเมื่อมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บความคิดนั้นมันประกอบอยู่ด้วยโมหะโทสะโลภะหรือมันคิดประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาหรือสมาธิเหล่านี้ต้องรู้ อันนี้เปออวิปัสนาดังนั้นการทำแบบนี้ทําง่า ย, ายไม่ต้องลงทุนลงแรงและก็ยังไม่ต้องเบืองสตางค์อีกะด้วยการทำอย่างนี้ทำง่ายง่ายนี่แหละแต่คนไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็การปฏิบัติก็ไม่สมบูรณ์คนเราไปหาเงินหาทองแล้วก็มาทำบุญ และมันก็นยังละความหลงผิดไม่ได้คือยังไม่เลิกละจากความโกรธความโลภความหลงนี้ไม่ได้อันนั้นก็เสวะยังไม่เป็นบุญแท้เพียงบุญตามวัตถุเท่านั้นตอนที่ผมพูดนี้เอาสติมาดูความคิดหรือเอาใจมาดูความคิดหรือว่าเอาใจดูใจเอาสติดูใจอันนี้เป็นเพียงสมมติพูด จะมีเงินร้อยล้านผันล้านไปจ้างให้คนอื่นมาทำให้เรามันก็ไม่ได้ตรงกันข้ามไม่มีเงินแม้สตางแดงเดียวทำก็ได้รู้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆไม่ต้องลงทุนลงแรงเท่าไหร่อันนี้คือไปไหนมาไหนต้องมีสติติดตามดูควมคิดให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจ ความเห็นความรู้ความเข้าใจอันน้อยๆ อ, อันนี้แหละมันจะสะสมเอาไวา้เมื่อมันสะสมเอาไวา้เต็มสมบูรณ์มันแล้วมันจะโผลงตัวขึ้นเรียกว่าเป็นอัศจรรย์คำว่าอัศจรรย์นี้สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ต้องรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ต้องเห็นสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจต้องเข้าใจเรียกว่าอัศจรรย์เหมือนกับแผ่นดินไหวเนี่ยดังนั้นเมื่อมาเห็นอันนี้ เข้าใจอันนี้สราบซึ่งดีพอแล้วความโกรธความโลภความหลงมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วแต่เราทำบุญก็ดีให้ทานก็ดีรักษาสิ่ก็ดีที่สุดเียว่าจเจริญ น, นิพพานาค็ดีก็มีจุดหมายปลายทางจะมาทำลายความหลงผิดคือจะมาปราบความโกรธความโลภความหลงนี่เอง แต่ทํามาแล้วมันปราบความโกรธข่มโลภข่มห ล, ลงไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรดังนั้นวิธีที่ผมนํามาเล่าให้ฟังวันนี้ผมกล้ายืนยันรับรองได้ถ้าทําจริงๆแล้วให้มันติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุด นับแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันแต่ไม่ต้องพูดอะไรเนะี่ยอันนี้สงฆ์ไม่ต้องพูดแหละความโกรธความโลภความหลงมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วแต่ให้เราทําความรู้สึกทําความเห็นแจ้งเมื่อทําความรู้สึกทําความเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็เลยไม่มีเพราะมันไม่ได้มีอยู่แล้วหลักชนะต้นต่อของชีวิต จิตใจของเราจริงๆแล้วมันเป็นปกติอยู่แล้วเราไม่เคยมาดูที่ตรงนี้เราเคยไปดูความสงบเราต้องการความสงบมันก็เลยไม่ทูกจุดนี้ดังนั้นความสงบนั้นจึงมีอยู่สองแบบด้วยกันสงบแบบไม่รู้สงบแบบทื่อๆเหมือนก้อนหินก้อนอิดก้อนกวดนี่อันนั้นสงบแบบหนึ่ง แบบที่ผมพูดนี่มันไม่ใช่เป็นความสงบแต่นั่นก็เป็นความสงบทำไมว่าไม่เป็นความสงบมันสงบแบบการเห็นแจ้งการรู้จริงเห็นแจ้งรู้จริงอันใดบางคนอาจจะสงสัยขึ้นมาอย่างนี้เห็นแจ้งรู้จริงความคิดและเห็นแจ้งรู้จริงของชีวิตเห็นแจ้งรู้จริงของจิตใจตัวเองอันนี้เห็นแจ้งรู้จริง เมื่อเห็นแจ้งรู้จริงอย่างนี้เอาไปใช้ประโยชน์อันอื่นได้ไหมได้เพราะทำการทำงานนั้นโดยไม่มีทุกจะเป็นนักเรียนไปศึกษาในโรงเรียนก็ศึกษาโดยไม่มีทุกถ้าหากเป็นครูไปสอนหนังสือก็ไปสอนโดยไม่มีทุกถ้าหากเป็นตำรวจเป็นทหารไปทาธุระหน้าที่ของตนเอง ก็ไปทําโดยไม่มีทุกข์ถ้าเป็นคนซื้อคนขายแม่ค้าแม่ขายก็ต้องซื้อต้องขายแต่ซื้อขายโดยไม่มีทุกข์อันนี้เป็นการเห็นแจ้งรู้จริงคือความสงบแบบนี้สงบแบบการเห็นแจ้งสมมุติให้ท่านฟังอีกพักหนึ่งเราอยู่ที่มืดสมมุติว่าอย่งางศาลาของเรานี่แหละมีไฟฟ้าแต่คนบ้านนอก ไม่เคยรู้การใช้ไฟฟ้าถึงเวลาตอนเย็นมาแล้วบอกคนบ้านนอกไปเปิดสวิตไฟฟ้าดูมันจะไม่ไปหาต้นสวิตมันจะไปหาลอดไฟเพราะมันเห็นหลอดไฟมันมีความสว่างหมุนลอดไฟอยู่ที่ตรงนั้นแหละหมูนจนตายความสว่างไม่มีอันคนเราก็เหมือนกันเราต้องการอยากได้ความสงบเราไม่อยากให้มันมีความโกรธ ไม่อยากมีคมโลภไม่อยากมีคมหลงเราก็เลยไปทำความสงบทำจนตายครับเพราะมันไม่ใชเป็นเรื่องสงบอันนั้นเหมือนกับคนไปจับไฟฟ้านั่นแหละไม่รู้จักสมุธฐานของไฟฟ้าบัดนี้ที่ผมพูดนี้เป็นคนสลาดเป็นคนในเมืองอย่างที่สลาของเรานี่แหละเป็นคนกรุงเทพหรือเป็นคนวัฒนธรรมในทุกคนก็ได้ ถึงเวลาตอนเย็นแล้วต้องการความสว่างไม่ต้องไปจับลอดไฟไปจับที่ต้นซีวิตของไฟพอดีกดซีวิตเข้าไปแล้วไฟมันไปตามเส้นสายไฟฟ้ามันก็เลยไปทําความสว่างอยู่ลอดไฟนุ่นอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราไม่ต้องการให้ความโกรธเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นเราต้องไม่หลง ต้นต่อของชีวิตเราต้องไม่หลงที่เกิดของความคิดหรือที่เกิดของจิตของใจเมื่อเรามาดูที่ตรงนี้จิตใจของทุกคนมันก็ไม่มีความโกรธอยู่แล้วอันนี้ปนแปลวคนสลาดดังนั้นความสงบนั้นจึงมีสองอย่างสงบแบบไม่รู้อันหนึง่งสงบแบบเขรู้แจ้งอันหนึง่งอันนี้สงบจากโทสะโมหโลภอันสงบแบบการเห็นแจ้งเนี่ย เพราะโทสะโมหะโลภะมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วอันนี้เป็นวิธีของผมเอามาใช้ในชีวิตของผมเองดังนั้นการเห็นธรรมก็คือเห็นตัวนี้สมกับพุทธพจน์ทบทหนึ่งว่าอตตาหิอัตานโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนจะไปพึ่งคนอื่นไม่ได้อันนี้จะให้คนอื่นทําแทนเราก็ไม่ได้เราจะมีเงินร้อยล้านพันล้าน ไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือไปสร้างพระพุทธรูปมากๆแล้วความโกรธความโลภความหลงหายไหมไม่หายอันนี้เอาเงินร้อยล้านพันล้านไปซื้อให้คนอื่นทําแทนเรามันไม่ได้มันต้องทําเองสมกับพุทธพจน์ตนเป็นที่พึ่งของตนจะให้คนอื่นทําแทนเรามันไม่ได้สมมุติภรรยาสามีก็เหมือนกัน เมื่อภรรยาทำแล้วภรรยาก็รู้เองสามีก็ไม่รู้เมื่อสามีทําแล้วสามีก็รู้เองภรรยาก็ไม่รู้หากว่าเรามีลูกลูกเราทําเองพ่อแม่ก็รู้ตามไม่ได้มันเป็นอย่างนี้อันนี้แหละเรื่องการทําบุญมันต้องทําตัวนี้อันบุญนั้นไม่ต้องทําอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องทํากับภาคก็ได้ เรามีของให้คนใดก็ได้เลยว่าการทําบุญการทําบุญนั้นเรียกว่าการทําดีเท่านั้นการทําดีเรียกว่าการทําบุญทําแล้วมันยังมีความโกรธข่มโลภข่มหลงอยู่อันนั้นก็ยังไม่ถูกมากดังนั้นวิธีที่ผมพูดนี้ไม่ต้องทําบุญก็ได้หรือจะทําบุญก็ได้จะรักษาศีลก็ได้ไม่รักษาศีลก็ได้จะทํายังไงได้ทางนั้น หรือจะจินเจก็ได้ไม่จินเจก็ได้จะนั่งขัดธรรมารสมาธิก็ได้ไม่นั่งขัดธรรมะสมาธิก็ได้จะหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ให้เราดูเอาเองเรื่องประโยชน์ของมันแต่ให้เอาสติมาดูความคิดนี้เองเรื่องลมหายใจลมหายใจมันไม่ได้โกรธให้คนที่มันโกรธคือตัวความคิดที่เองดังนั้นการที่จะไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นนั้น เราต้องมาดูความคิดดูจิตดูใจดูชีวิตเราที่ตรงนี้มันคิดขึ้นมาปุ๊บเห็นปับ๊บหัดบ่อยๆฝึกบ่อยๆเหมือนกันกับนักมวยนักมวยเนี่ยขึ้นไปในเเทีต้องโซเราไม่ต้องไหว้ครูคนในไปไหว้ครูอยู่แล้วมันจะไม่ทันเหตุการณ์ดังนั้นการฝึกอันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่จะให้มันโกรธแล้วจึงจะไปฝึกหัด ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นต้องฝึกหัดเกียร์ไว้ก่อนเมื่อมีคำคนอื่นมาพูดให้เราเราต้องสู้ทันทีอันนี้แปลว่านักมวยต้องฝึกหัดไว้เมื่อขึ้นในเบทีต้องซกทันทีอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมีคู่ต่อสู้มาพูดยุให้เราโกรธเราไม่ต้องโกรธเพราะเราเห็นสภาพความโกรธเป็นทุกข์หรือเห็นสมุฐานของความคิด เรามีสติเข้าไปอยู่ที่ตรงนั้นขมหลวงก็ไม่มีอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้ ว, ว่ามเห็นถูกต้องของผมเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิของผมเองอันนี้มันเลยไปตรงเอากับคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าเห็นแก่ตัวคือให้ทําลายขมหลงผิดเมื่อคนไม่เห็นแก่ตัวแล้วทําลายขมหลงผิดแล้วอันนั้นแหละเป็นบุญเป็นกุศลอย่างแท้จริงดังนั้น บุญนี้เรามาพูดกันว่าอะไรจะมีมากกว่ากันพระพุทธเจ้าเองเคยสอนหรือเคยพูดเอาไ ว, ว้ว่าคนไม่ดื่มตัวนี้เองเช่นเราทําบุญพูดเรื่องการทําบุญทําบุญร้อยครั้งพันหนก็ตามยังไม่มีอเนกสง์เท่ากับการรักษาศีลครั้งเดียวท่านว่า น, นั้นรักษาศีลร้อยครั้งพันหนก็ตามยังไม่มีอเนกสง์ มากเท่าทําให้จิตใจสงบครั้งเดียวท่านว่าอย่างนั้นบันนี้ทำความสงบร้อยครั้งพันหุ่นก็ตามยังไม่มีอเนกสง์เท่าการเห็นแจ้งครั้งเดียวท่านว่าอย่างนั้นการเห็นแจ้งทําไมมีประโยชน์มากมีอเนกส ง, ง์มากเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ทำความเห็นแจ้งความรู้จริงนี่เองอันนี้แหละมีอเนกสงมากที่สุด อันดูความคิดเห็นความคิดเข้าใจความคิดนี่แหละมีอันนิสงมากบาปมากที่สุดบัดนี้คือคนลืมตัวคนไม่รู้คนไม่เข้าใจความคิดนี่เองดังนั้นการทำบุญก็ตามรักษาสิ่งก็ตามจะเิศวิปสนาก็ตามถ้าหากว่าเราไม่มาทำคกามเห็นแจ้งความรู้จริงต้นต่อของความคิดนี้ มันก็ยังมีค่มโกรธขมโร ค, ควมหลงอยู่อย่างนั้นเมื่อเรามาทํำข่มเหนแจ้งข่มรู้จริงอันนี้แหละมันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนามีเงินก็ทําได้ไม่มีเงินก็ทําได้เด็กผู้ใหญ่ทําได้ทงนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ทําได้ทาอันนี้ทําไปกับการกับงานทุกแบบได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นนั่งอยู่ที่เดียวทา ถ้าหากว่าเราเป็นนั่งอยู่ที่เดียวทําแล้วมันก็ไม่ได้ผลไปไหนมาไหนก็ต้องดูความคิดของเรานี่เองการดูความคิดนี่ผมจะแนะนําอีกเรื่องหนึ่งบางคนไปนั่งทําดูความคิดมันเกิดความคิดขึ้นมาเราเลยไม่รู้ความคิดเราก็เลยไปดูความคิดหรือเข้าไปในความคิดรู้อันนั้นรู้อันนี้อันนั้นไม่ถูกตามวิธีนี้วิธีนี้เห็นอันใดไม่ได้ เห็นผีเห็นเทวดาเห็นพระพุทธรูปเห็นดวงแก้วที่สุดเห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ถูกต้องเพราะจิตของเรามันคิดออกไปเราไม่เห็นของคิดมันถูกปรุงคือจิตใจมันปรุงเองมันปรุงเพราะเราไม่เห็นต้นต่อของกองคิดนี่เองดังนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายมาสนใจและศึกษาหาต้นต่อของของคิดนี่เอง เมื่อไม่เห็นความคิดอันนี้แหละเป็นการทําลายความมืดความหลงความไม่เข้าใจเมื่อมีความสว่างความเห็นแจ้งความรู้จริงอันนี้แหละเรียกว่าเป็นทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นแจ้งเรียกว่าถูกสัมมาทิฏฐิแปลว่าเดินถูกทางแล้วทําไมเดินถูกทางก็เ พ, พราะพระพุทธเจ้าก็ทําอย่างนี้ทําความเห็นแจ้งอย่างนี้ เมื่อเราทำคนเห้แจ้งอย่างนี้ทุกก็ไม่มีเมื่อทุกไม่มีก็เหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้านั่นเองเดียวนี้ลักษณะเดียวนี้ที่ท่านทั้งหลายฟังผมพูดหรืออาจมาพูดอยู่ในขณะนี้จิตใจของทุกคนมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีคมโกรธมันไม่มีคมโลภมันไม่มันไม่มีคมห ล, ลงอันนี้แหละเรียกวาอุเป ข, ขาหวางเสยไม่ใช่ว่าเป็นนั่งอยู่แล้ว คนมาเอาเงินเอาทองก็วางเฉยอันนั้นพูดเอาเองถ้าหากว่าเราวางเฉยแล้วไม่ต้องไปหาเงินอีกแล้วไม่ต้องไปหาเสื้อหาผ้ามานุ่งอีกแล้วก็ต้องวางเฉยซะก็ต้องไม่กินข้าวซะวางเฉยอย่างนั้นซะอันนั้นมันพูดเอาเองถ้าหากพูดตามความจริงเลยจิตใจหรือชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นปกติอย่างที่ผมพูดอยู่เนี่ยท่านมีความทุกข์ไหมผมเข้าใจว่าไม่มีความทุกข์ ท่านมีความสุขไหมถ้าจะพูดคนที่พูดกันไม่รู้เรื่องกว่ า, วามีความสุขอันนี้ลักษณะนี้แหละมันไม่ใช่ทุกมันไม่ใช่สุข OK. เรียกว่าจิตใจของตุกคนนั้นมันมีอุเบกขาทําอันนี้แหละมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาค้นพบอันนี้แหละเรียกว่าทำที่ทําให้พระพุทธเจ้านั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าการตัดรูป ข, ของพระพุทธเจ้านั่นคือว่ามารู้มาเห็นมาเข้าใจอันนี้เรียกว่าเป็นพุธทธ ถ้าเป็นผู่รู้ผู้ตื่นผู้บิบานโดยธรรมตามธรรมชาติของจิตของใจแล้วมันไม่มีความโกรธมันไม่มีความโลภจิตใจคนนั้นมันมีความสะอาดมันมีความสว่างมันมีความสงบอยู่แล้วที่มันไม่สะอาดที่มันไม่สว่างที่มันไม่สงบนั้นมันไม่ใด้เป็นตูดชีวิตมันจิตใจที่มันปรากฏุด้วยวัดสังขาร ดังนั้นขอให้เราทุกคนทุกคนจงมาดูที่จิตใจดูลงไปให้เห็นจิตใจที่มันสะอาดมันสว่างมันสงบเดี๋ยวนี้นี่แหละท่านนั่งอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละมันไม่มีขมโกรธมันไม่มีขมโลภมันไม่มีขมหลงเรียกว่าจิตใจสะอาดคำว่าสว่างก็หมายถึงการเห็นแจ้งคาว่าสงบก็หมายถึงว่าหยุดแล้วไม่มีขมโกรธไม่มีขมโลภไม่มีขมหลงอันนี้แหละจิตใจของผาเรียบุคคล แต่จิตอันนี้มันก็มีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นแม้ที่สุดมีถึงสัตว์ในรสารแต่สัตว์ในรสารนั่นมันไม่มีปัญญามันไม่สามารถที่จะไปใช้ได้คนเราทุกคนต้องมีปัญญาเอาไปใช้กับสิริของเราได้ทุกคนดังนั้นผมได้ให้ขอคิดเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตตะกิจใจปลุกเราทุกคนให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเราทุกคนเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระก็ได้ แ้าเป้าผู้ประเสริฐทิศสู่เป้าผู้เห็นไทยเห็นอันนี้แหละคือเห็นมันไม่ให้ข่มโกรธไม่ให้ข่มโลคไม่ให้ข่มหลงไม่ให้ข่มมืดมาเกิดขึ้นที่ใจิตใจของเรากระทอนี้เองหลักพุทธศาสนาสอนแค่นี้ความจริงแหละอันนี้ที่ผมนํามาเล่าสู่ฟังวันนี้แต่คอยระวังที่เราจะเห็นผิดเท่านั้นเองที่ผมได้ให้ขอคิดมาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกิเวลาแล้วจึงขออยู่ได้เพียงแค่นี้ การปฏิบัติธรรมะมีสำนักสอนกรรมฐานสอนวิปัสสนากันมีมากเพราะว่าสมัยนี้หรือปัจจุบันนี้ใครเป็นสำนักหรืออยู่สำนักวิปัสสนาหรือสำนักกรรมฐานหรือคนใดได้ปฏิบัติวิปัสสนาได้ปฏิบัติกรรมฐานนั้นมีซื่อเสียงมีเปรียดมียศ จำ <c oughs> เป็นต้องมีสำนักสอนนิปัสนากันมากการเจริญนิปัสนาก็าตามเจริญสมถกรรมาฐานก็าตามมันต้องมีอุปสรรคข้อของดีอยู่ที่ไหนของเลวร้ายก็อยู่ที่นั้นเหมือน ก, นกันกับบุคคลที่มีเงินมีเข้าของมา ก, มากผู้ล้ายขโมยต้องพยายามดุร้ายอยู่อย่างนั้นเนี่ พาะเขาต้องการสิ่งที่คนนั้นมีหรือของดีกับบุคคล น, นั้นการเจริญวิปัสนาหรือเจริญกรรมฐานก็สามจึงมีอุปสรรคเราเคยดูหนังสือว่ามีวิปัสสนูมีวิประหลาแต่จินตญาณ น, นั้นผมดูหนังสือไม่ค่อยเหมือ น, น <c oughs> ดังนั้น การเจริญกรรมฐานจเจริญวิปัสสนานี้จึงเป็นอุปสรรคคือวิปัสโนข้อแรกข้อที่สองเดือชิจินตญาณข้อที่สามเรียกว่าวิปะหลดเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้ก็ต้องทำการกระทำเช่นนี้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์หรือบุคคลที่รู้ ไม่ใช่ว่าจะอาศัยเพียงตำรับตำลาพอแล้วไม่จํานั้นต้องอาศัยสิ่งที่ประสบการณ์มาบุคคลที่เคยรู้เคยปฏิบัตินั้นต้องประสบการณ์มาจริงๆริงอันคนใดพูดได้แต่ยังไม่เคยประสบการณ์อันนั้นยังไม่เข้าใจยังไม่แจแจ้งเพียงรู้จำมาจากตำรับตำราเท่านั้นแล้วก็รู้จักมาจากตำราเท่านั้นยังว่า แก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ค่อยตกกันผมเคยได้ยินบ่อยๆเรื่องคนเป็นจิตใจไม่ปกติจิตใจฟันเฟือน <c oughs> อันนี้ก็เหมือนว่าบุคคลไม่รู้นั่นเองโดยมากเรื่องทำกรรมฐานนี้ต้องการความสงบแต่คนที่สอนนั้นบางทีอาจจะไม่รู้ความสมบงบคำว่าความสงบนั้นเด็กๆ ก, ก็พูดได้ คนแก่ก็พูดได้พระพิสุสัมมเนรพูดได้ทั้งนั้นเพราะว่ารสชาติคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือความสงบเกิดมาร้อยวันพันปีหากว่าเราไม่ได้รับความสงบชีวิตอันนั้นก็เป็นหมันอันนี้ใครๆครก็พูดได้เพราะมันมีตัวหนังสือเขียนเอาไว้ช่วยจำแล้วก็นำมาสอนกันอันนี้ ดังนั้นพวกที่ทำกรรมาฐานก็ตามทำวิปัสสนาก็ตามสติไม่ค่อยปกติเพราะว่าเราต้องการสิ่งที่มันเป็นปกติเราเกือบเลยไปทำสิ่งที่มันไม่เป็นปกติเราต้องการความสงบเราเกือเลยไปสร้างความไม่สงบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอันนี้เรียกว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองความสงบนั่นจึงมีอยู่สองแบบ หรือสองอย่างด้วยกันสงบแบบหนึ่งนั้นสงบแบบไม่รู้อะไรคิดไปก็ไม่รู้ผมมีคนมาถามบ่อยๆถามต้นส่วนปลายไม่ได้แล้วเขาก็ย้งว่าเขามีสติอยู่นั่นเองอันสติสัมปชนะัญญะหรือสติคมลนะลึกได้สัมปชนะัญญะผมรู้ตัวอันนี้มันก็มีตัวหนังสือเขียนเอาไว้และจามาได้อันนี้ก็มีอยู่แล้ว เราจะไปสนใจอย่างนั้นเราสนใจวิธีที่จะแก้ปัญหาปัจจุบันเราไม่ต้องมองไปให้มันมากเกินไปและเป็นนั่งทำกรรมาฐานไม่ต้องการอยากให้มันคิดต้องการอยากให้มันสงบอันนี้ก็ถือว่ายังเข้าใจน้อย <c oughs> ที่ผมจะอุปมาให้ฟังในวันนี้เหมือนกับเราไปขุดบอ่อน้า เมื่อเราขุดบ่อน้ำไปเจอสายน้ำเข้ามาน้ำข้างในในรูมันมันต้องออกมาตามหน้าที่ของมันแต่น้ำออกมานั้นน้ำมันสะอาดอยู่แล้วตมเลนมันมีอยู่ในบ่อในหลุมนั้นเมื่อน้ำออกมาสะสมกันเข้าปะปนกันเข้าเราก็เลยว่าน้ำนั้นสกปรกความจริงแล้วน้ำนั้นมันไม่ได้สกปรกมันเป็นตมเป็นเลนอันมันทำสกปรกนั้นมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเราไม่เข้าใจคือเราไปเข้าใจกับตำราเราไม่ได้เข้าใจความจริงไปปฏิบัติมันก็เลยต้องการขมสงบบัดนี้เมื่อเราขุดบ่อน้ําลงไปแล้วเมื่อไปถึงน้ําเราก็มีวิธีมีขันหรือมีโอหรือมีอะไรก็ตามะสมมุติพูดเราก็ตักน้ํานั่นออกตักตมตักเลนนั่นออกตักทั้งหมดเลยตักออกตักออกตักออกตักออกพอดิ้ตักไปหมด น้ำข้างในมันไหลออกมามันไหลออกมาแล้วบัด น, นี้มันก็เต็มบ่อมือเราก็กวนเข้าอันนี้เรียกว่าคนปวนเข้าปวนเข้าให้น้ํานั้นล้างตมล้างเลนที่มันสกปรกอยู่ในบ่อนั้นมันก็ทำก้นสะอาดทีละนิดทีละหน่อยเข้าไปบัด น, นี้เราก็ตักน้ําที่มันสกปรกนั่นแหละแต่ความจริงน้ํานั้นมันไม่ได้สปกปรกมันตมเลนต่างหากที่มันสกปรกนั้น ตักออกตักออกตักออกหมดแล้วปล่อยไว้น้ำข้างในไหลออกมาแล้วก็ตก ต, กตักออกอีกปนปากบ่กเข้าถันใดความคิดนั้นไม่ต้องห้ามให้มันคิดมันอยากคิดยังไงให้มันคิดเป็นหน้าที่ของเราจะรู้กลมคิดให้เรามีสติมีปัญญามาคอยดูกลมคิดเหมือนแมวกับหนูเนี่ยพอดีหนูออกมาแมวต้องจับ นูออกมาแมวต้องจับออกมาที่ได้จับทีนั้นเหมือนกับขุดบ่อน้านี่แหละเราไม่ต้องไปอัดรูน้ำให้มันออกมาน้ำมันยิ่งออกมาเราก็ยิ่งโกนฝากบ่อได้ดีเราล้างเราล้างฝากบ่อออกไปเมื่อล้างออกไปหลายครั้งหลายหน ตมเลนหรือสิ่งที่สกปรกอยู่ในบ่อนั้นมันก็หมดไปน้ำสะอาดข้างไหนมันออกมาเต็มบ่อแล้วน้ำก็เลยไม่สปกปรกน้ำก็เลยสะอาดอันนี้ก็เหมือนกันเราดูความคิดของเราเนี่ดูให้รู้จักให้เห็นแก้งให้รู้จริงไม่ใช่จะรู้จักจามาจากตำลับตำนาแล้วพอไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นผมจึงจะ นำเรื่องวิปัสสนูมาเล่าสู่ฟังคนเป็นนั่งทำกรรมฐานต้องการความสงบเมื่อมีปัญญาสนิทหนึ่งเกิดขึ้นมาเพียงเล็กเล็กเลยน้อยบางทีอาจจะไม่รู้ของจริงก็ได้มันเลยเกิดปัญญาสนิทหนึ่งมันต้องการพูดต้องการคุยแล้มันรู้ไปกับตำรักตำราแต่มันไม่เคยดูจิต ด, ดูใจคนนั้นยังมีความโกรธยังมีความโลภ ยังมีความสงสัยแต่พูดได้อ น, นั้นเป็นเรื่องของวิปัสสนูให้เราเข้าใจไปในทนองนั้นวิปัสสนูอุปกิเลสคำว่าวิปัสสนูอุปกิเลสนี่เราไม่ค่อยรู้กันเราเพียงว่ากิเลขคืออะไรกิเลสก็คือความเศร้าหมองนั่นเองความเศร้าหมองความเศร้าหมองเรียกวมณทินมณทินเขาเรียกว่าความสกรปรกนั่นแหละเหมือนกับน้ํามาเข้ากับต้มกับเลนเนี่ยมันสกรปรก อันนั้นเรียกว่ า, วากลมจกบลวกเรียกว่ามนทินอันนี้แหละเป็นกลมทุกเรียกว่าเป็นบาปเป็นกรรมทําบุญก็เป็นบุญน้อยบางทีอาจจะไม่เป็นบุญก็ได้เพราะมันเป็นทุกข์เพราะท่านพูรูสอนว่ามนทินบ้างจกปลวกบ้างจิตไม่สะอาดจิตเศร้าหมองบ้างแล้วแต่จะพูดยังไงเพราะเรื่องสมมุติเท่านั้นเราต้องศึกษาให้รู้แจ้งรู้จริงไม่ใช่ว่าศึกษา <S 2> <S 2> <S <ๆ S 1> เพียงรู้จารู้คิดเท่านั้น ดังนั้นยินตญ า, านแบบ น, นี้คือมันมีปัญญาชนิดหนึ่งมีคนมาพูดเรื่องสติสตังเหล่านี้แหละอันนั้นต้องเป็นสติอย่างนั้นอันนั้นต้องเป็นสติอย่างนี้มันไม่เคยรู้สติเลยแต่มันไปสนใจเรื่องอื่นๆทางนั้นถอยแก้ปัญหาพูดคุยกันไปอย่างนั้นแก้ทุกไม่ได้คนนี้เสียสติสติไม่ค่อยมั่นคงไม่เหมือนวิปัสสนาวิปัสสนูไม่เสียสติ แต่ตอนจินตยานิเสียสติทําให้มันสมองเคื่อมไปไม่แน่นอนถ้าอาจารย์ไม่คอยแน่นอนแล้วพวกท่านทั้งหลายไปปฏิบัติธรรมะต้องพยายามระวังตัวเองอย่าให้ครูบาอาจารย์ระวังให้เมื่อผิดปกติเราต้องหยุดหยุดทันทีหยุดอะไรหยุดการกระทํานั่นแหละเมื่อเราหยุดการกระทําแล้วสิ่งที่มันเป็นขึ้นมาภายในจิตใจนั้นมันจะคอยลดไปลดไปเอง อันนี้แก้ได้ไง่ายตอนวิปลาตนี้อันนี้แปลว่าความเห็นผิดวิปลาตแปลว่าความเห็นผิดเห็นผิดแล้วมันจะถูกต้องได้ไหมมันไม่ถูกต้องคนเดินทางผิดแล้วมันจะถึงไหมมันเป็นอันว่าไม่ถึงอยากเข้าใจว่าตัวเองเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นท่านว่าเป็นความเห็นอันถูกต้องเมื่อเราเห็นถูกต้องเราเดินไปก็ต้องถึงก็ต้องรู้ แต่คนเป็นที่ประหลาดไม่เคยดูคิดใจไม่เคยดูดความคิดความคิดมันคิดกูบ อ, ออกมาไม่เห็นมันไปเห็นควมรู้มันไปคิดควมรู้อันนี้แหละถูกต้องอันนี้แหละความสุขมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผมจึงเลยพูดบ่อยๆและสุขแบบนอนไม่ใช่รสสุขแบบที่เป็นคนมีปัญญานอนมันเคยอยู่กับกองอุจาระเคยอยู่ที่สุกป ก, ปก ที่ไหนสกปรกแมงวันมันไปตอมเมื่อแมงวันไปตอมแมงวันมันนิว่าทียสบานปุ่มนิว่าลี่ไ ข, ข่ขางที่แมงวันนั่นเนี่ยเกิดเป็นตัวนอนขึ้นมาเราจะเอานอนนั้นออกจากที่สกปรกนั้นมันไม่อยากออกเพราะนอนมันชอบสิ่งที่สกปรกดังนั้นคนเป็นนิพพานุก็ต า, ามเป็นจินตญานก็ต า, ามเป็นนิปพราชก็ตามมันชอบอย่างนั้นจินตญานนิปพราช วิปจันทรูมันเป็นอุปสรรคต่อปัญญาต่อสติต่อสมาธิคนไม่เคยรู้สมาธิแต่สมาธินั้นเขาว่าสมาธิต้องไปนั่งหลับตาหรือนั่งภาวนาที่ไหนก็ตามและต้องทําให้ใจิตใจสงบอันนั้นสมาธิแบบนั้นก็ถูกน้อยแต่มันไม่ถึงร้อยเปอร์เซนต์คว่าถูกน้อยเนี่ยแต่มันไม่ถึงร้อยเปอร์เมันจะสมบูรณ์ไหมมันไม่สมบูรณ์ สมาธินั้นไม่ได้หมายถึงการไปนั่งหลับตาอย่างเดียวสมาธินั้นท่านหมายถึงก่วงก่วงคือตั้งใจทำการทำงานการงานอะไรมีต้องทำให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยหรือสมาธิคือดูตัวเองการทำการพูดหรือสมาธิคือดูชีวิตจิตใจตัวเองชีวิตของคนทุกคนนั้นมันไม่มีความเดือดร้อน มันมีความสงบอยู่แล้วไม่ใช่ตั้งแต่คนนะสัตว์เนรัสารก็มีอย่างนี้อันตัวสมาธินั่นมันมีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงก็ได้ตัวสมาธิคือตั้งใจสมมติเราทานอาหารก็ต้องตั้งใจทานอาหารเราต้องรู้จักอาหารสิ่งนี้จะเป็นพิษแก่ร่างกายเราเราก็ต้องรู้สิ่งนี้เราทานอาหารลงไปแล้วมันจะทำประโยชน์ให้แก่ร่างกายเราเราก็ต้องรู้ อันนี้เรียกว่าสมาธิคือคนตั้งใจจะไปไหนมาไหนไม่ชนหลักชนตอ่อไม่ลงกูลงพองอันนั้นเดี๋ยวคุมีสติแต่สติแบบนั้นมันไม่ใช่เป็นสติแบบที่เราทําความเห็นแจ้ง <c oughs> สติแบบควมเห็นแก้งมันอีกเรื่องหนึ่งควมเห็นแจ้งเห็นอะไรเห็นตัวชีวิตของเรานี่เองชีวิตของเรานี่มันสงบ มันไม่เดือดร้อนมันไม่มีทุกข์หรือจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันมันไม่ชอบกลมทุกข์มันชอบกลมสงบท่านพุรุษ ก, ก็เลยกล่าวเอาไว้ในสําหรับตาราหรือตัวหนังสือมีเอาไว้ว่าจิตใจของคนมันมีกลมสะอาดสว่างสงบบางคนก็พูดอย่างนี้บางคนก็ไม่รู้อ่ะสะอาดสว่างสงบพูดได้เพราะมันมีตัวหนังสือเราจะเข้าใจว่าตัวหนังสือนั้นอ่ะ มันดีแล้วแต่เราต้องทําความเห็นแจ้งความรู้จริงเมื่อไม่มีความสะอาดสวาส่างสดก็เรียกว่าจิตใจเป็นสปกปรกจิตใจเป็นมลทินจิตใจเป็นโมฆะชีวิตเป็นมลทินชีวิตเป็นสปกปรกชีวิตเป็นโมฆะคำว่าโมฆะก็ปไปวัดไซไม่ได้บุรุษบุรุษเขาว่าโมฆะบุรุษ ผู้ชายเขาเรียกว่าโมฆะบุรุษถ้าเป็นผู้หญิงแบบนี้เราก็ต้องหามาพูดอีกว่าสตีบุรุษไว้อย่างนั้นก็ได้คําว่าบุรุษนับเปยนผู้ชาย <c oughs> คําว่าสตีก็เป็นผู้หญิงเอาว่าโมฆะก็เปลว่าใช้ไม่ได้ผู้หญิงเป็นอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้ผู้ชายเป็นอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้เรียกว่าโมฆะบุรุษโมฆะสตรีอิดังนั้นให้พวกเราได้ศึกษาให้เข้าใจให้ถูกต้องเมื่อเราทั้งหลายศึกษา ไม่ถูกต้องก็เรียกว่ามนทินสกปกนู้ดจิตใจเศร้าหมองมนเป็นทุกข์เราก็แก้กันไม่ได้อันนี้วิปลาสผมเคยเจอมาหลายคนพูดได้วิธีที่จะแก้เขาต้องมีอย่างที่ครูบาอาจารย์เคยพูดว่าใส้ต้องมี น้ำมันต้องมีหมักหลอดต้องมีไม่ขีดต้องมีต้องการปุ๊บจุดปับ๊บสว่างทันทีอันนี้ก็ถึงพร้อมแล้วเราทำมาแล้วคำว่าหมักหลอดต้องมีตะเกียงต้องมีไส้ต้องมีน้ำมันต้องมีไม่ขีดต้องมีอันนี้ก็ให้เราพิจารณาให้มันดีอันนั้นมันเป็นคาพูดคำว่ามีพร้อมแล้วนี่หมายถึงถ้าหากว่ามีผู้ใดมาปฏิบัติกับเรา เราต้องรู้รู้แล้วต้องแก้ปัญหาสิ่งนั้นอย่าให้มันพลาดไปอันนี้เปยว่าเรามีพร้อมแล้วเราได้ปฏิบัติมาแล้วเราเข้าใจแล้วเราต้องทำอันนี้เรียกว่าประสบการณ์อย่าเพิ่งไปดูตตัวหนังสือเรียนตั้งแต่นหนังสือจำมาแล้วไปสอนคนอื่นนั้นเขาเป็นแล้วแก้ปัญหาไม่ได้เมื่อเขาแก้ปัญหาไม่ได้ก็เรียกว่าคนดีมีมาก แต่ทําให้คนดีนั่นแหละเป็นคนเลวมีมากเช่นเดียวกันบัดนี้คนดีมีน้อยคนที่จะเสาะแสะแสวงหาคนที่กําลังเลวร้ายนั่นแหละให้เขากลับมาเป็นคนดีได้อันนั้นมีน้อยคนหรือจะพูดตรงๆก็คือบุคคลที่มีปัญญาเคยประสบการณ์มานั้นอจกแก้ปัญหาบุคคลที่กําลังเป็นวิปัสสนา เป็นกิญยาณเป็นวิปลาสให้บุคคลตกไปให้เขากลับมาเป็นคนดีนั้นมีน้อยคนหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคนกําลังกินเหล้าเล่นกันพ น, นันสูบบุหรีเที่ยวเตเตปเตมาไปนู่นมานี้โดยที่ไม่รู้สึกตัวจะไปสอนให้บุคคลนั้นกลับคืนมาเป็นคนดีให้เขาเลิกลาจากสิ่งที่ผิดผิดนั้นมีน้อยคนอย่างนี้ แต่สอนให้เขาเป็นอย่างนั้นมีมากอันนี้มีมากพูดอย่างนี้ก็จะหาว่าผมนี่พูดให้เพื่อนเสียไม่ใช่อย่างนั้นก็พูดความจริงให้กันฟังโดยมากคนไปนั่งกรรมาฐานก็ตามไปเจริญนิพพานก็ตามไม่เคยดูความคิดตัวเองผมเองอันนี้ไม่รู้ความคิดสิ่งที่ผมพูดนี่ผมประสบมาผมจึงรับรองได้ บางทีเดินจมกรมก็ตามนั่งสมาธิก็ตามมันไม่เห็นความคิดนี่ความคิดมันวูบก็ไปมันไม่เห็นมันก็เลยไปเห็นเลขเห็นบัตรเห็นเบอร์เห็นจริงจรเรื่องนี้เห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นลูกแก้วเห็นดวงแก้วเห็นพระพุทธรูปเห็นอะไรต่างๆ่างี่ประทาแล้วแต่มันจะเห็นอันนั้นไม่อื่นไก จิตใจของเรานี่เองมันวูบออกไปเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจบางทีตัวเราเนี่ยผมต้องการอยากหายตัวได้ผมเป็นอย่างนั้นผมไปเจริญวิปัสสนาไปเจริญธรมาฐานเพราะผมอยากมีฤทธิ์อยากมีเดชเนี่ยอยากหายตัวได้อยากหอะได้พูดให้มีแต่เสียงไม่อยากให้เขาเห็นนี่ยมันคิดไปอย่างนั้นอยากทํามีการปลุกเสกทำให้มันน้อยคนได้ ทำให้มันหลายหลายคนได้มันคิดไปร้อยอันพันอยา่างแต่เราวางโครงการอันนั้นมันผิดแต่เมื่อไปปฏิบัติจิตใจมันเคยคิดอย่างนั้นมันก็เลยปรุงขึ้นมาเมื่อมันปรุงขึ้นมาเราก็เลยไม่เห็นจิตไม่เห็นใจไม่เห็นต้นตอของความคิดนี่เองอันนี้แหละที่ผมนำมาเรามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเรา <c oughs> วิธีที่แก้มันก็มีครับมี วิธีที่จะแก้เราจะทำอย่างไงเราต้องทำความเข้าใจกับบุคคลที่กำลังเป็นให้เขาพูดให้ฟังเขาเป็นอย่างไรเราต้องฟังฟังคำพูดเขาก็รู้เมื่อเขาพูดออกมาเราก็ต้องจับได้จับคำพูดที่มันหลงผิดมันหลงผิดในขณะเมื่อเราเป็นอย่างนั้นคนนี่ก็เป็นเหมือนกันกับเราเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์หรือคนมีหูทิพย์มีตาทิพย์แล้วจะไปมองเห็น คนพูดไกลๆอยู่ที่คนละจังหวัดกันได้ยินหรือว่าตาทิพย์เขาหมุนสนากกินแบงหรือเขาทําการทํางานอะไรอยู่เรามองเห็นอันนั้นคนไม่เข้าใจคำว่าตาทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์ก็หมายถึงคนมาพูดอันใดอันหนึ่งที่มันผิดแล้วก็มาดูจิตใจของเราเรามองเห็นว่าคนนั้นพูดผิดแล้วมันพูดเรื่องไม่ถูกตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้ว อันนั้นเรียกว่าตาทิพตหูทิพตคือคนนั้นพูดมันไม่มีสาระมันไม่มีแกนสารมันดับทุกไม่ได้ต้องรู้จักอันนี้เรียกว่าหูทิพตไม่ใช่ว่าทิพตแล้วไปมองไปเห็นอันนั้นไปฟังอันนี้มันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจคําพูดมันเข้าใจกับตัวหนังสือที่ผมพูดนี่ผมรับรองได้ร้อยเปอร์เซ็ไมรับรองได้ พ็ผมเป็นเด็กไปนอนนากับพ่อผมพอผมเราให้ฟังไม่ต้องพูดมากตอนนี้พูดน้อยๆพาะผมพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วน <c oughs> สองพี่น้องไปเลี้ยงควายนี่ว่าป้อยควายออกจากพอกไปทีแรกก็ต้อนให้มันไปกินหญ้ามันก็ไปกินหญ้าไปเรื่อยไปเรื่อยไปตกเย็นมันก็ต้อนควายมา ต้องวุยเข้ามาจะมาพูกมามัดไว้ในคอกนี่แหละคุยมันก็เลยไม่มาหรือมันมาไม่ถึงบันนี้มาไม่ถึงมันก็ในป่าในดงมันก็เลยมืดมันมืดแล้วบันนี้ก็เลยนอนนอนที่นั้นอันนี้พอผมสอนว่าอย่าไปคนเดียวอย่ามาคนเดียวไปไหนมาไหนต้องมีผู้มีเพื่อนให้มีความรักกันท่านสอนเพียงความรักกันเท่านั้นแต่ท่านรู้เพียงผมสอบพอใจกันรักกัน ที่พี่ น, อนอ้องๆอย่าผิดห้องต้องเถียงกันต้องรักกันใครมาพูดอะไรต้องช่วยกันทํากันพูดช่วยกันถ้ามีคนมาซกมาต่อยก็ต้องช่วยกันท่านสอนไปอย่างนั้นพอผมท่านเล่าให้ฟังอันั้นท่านลู้อันนี้โตผมเองอันนี้พูดแต่ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นอันนั้นก็ดีแล้วแต่ว่าดีดีดีกว่าดีที่สุดดีแล้วท่านสอนนั้น แต่มันยังถึงที่สุดไม่ได้ตอนผมมาเจริญสตินี่ผมติบขึ้นมาวูบเดียวมันจิตใจสำนึกขึ้นมานี่คําว่าหูทิพตาทิพมันต้องมองเจาะลงไปอย่างนั้นได้ยินแล้วก็ต้องมองคําพูดอันนั้นอันนี้เรียอวหูทิพตาทิพได้ยินแล้วต้องเอามาวิพากษ์วิจารเมื่อคนมีปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงอันนี้ไม่ใช่เพียงรู้จํารู้จักเท่านั้นจะพอไม่ใช่อย่างนั้น ตอนนั้นทันวัดพอดีพวกคกวายไ้แล้วน้องสายมันขึ้นต้นไม้ไม่ได้มันก็เลยนอนอยู่กับต้นไม้นอนพื้นดินควายก็ต้องนอนพื้นดินพี่สายมันขึ้นต้นไม้ได้พี่สายขึ้นไปนอนอยู่งามไม้ที่มันพอนอนได้ก็ต้องนอนเกาะอยู่งามไม้นั่นแหละเสือก็ล้ำมาวะย่างนนคนบุญนี้แขนขอกระโบยากวะท่านคนบาปนี้แขนฟ้ากระสิบกินวะท่นแขนหมายถึงว่า กออยู่ในคอเสือนั่นแหละมามันก็ไม่กินคนมีบุญนะ่ะแต่คนบาปนั้นแขนอยู่ฟ้าคุณมันก็จะ ก, กินวกันอันนี้พอผมสอนไม่ใช่สอนทันพูนให้ฟังล้ำมาล้ำมามาใกล้ๆเข้ามาพี่สายมันนอนไม่รู้เออพี่สายมันนอนไม่หลับมันก็ตื่นมันก็ตัวระวังน้องทายมันไม่รู้สึกตัวมันนอนหลับพอดีเสือล้ำมาคนบุญนี้แขนออกกระบอยาก คนบาปนี้แขนฟากระสิกินวันนี้มันมาถึงถึงควายกับถึงคนมันก็เลยมาดมดมควายดมคนะควายกับคนมันมีบุญมันงมันก็เลยไม่กินพอดีมาถึงที่นั้นมาดมที่นั้นมันเลยเงยนหน้าขึ้นไปข้างบนครูพิซายอยู่ข้างบนมันตกใจเห็นแสงตาเสือพาดขึ้นไปแล้วมันตกใจมันสะดุดใจก็เลยเผลอสติ สติมันไม่มีในแบบนี้มันตกใจก็เลยวางงาไม้ล่นลงมาบ้านผมเรียกว่าตกขันว่าตกน่าอาจจะไม่รู้ล่นลงมาตุ๊บถึงดินเสือกินจ้อยเลย น, นัอันนี้พอผมเราให้ฟังให้นักให้แพงกันความจริงไม่ได้สอนเพียนแค่ลักแพนเท่านั้นคือคนมีบุญนี่ต้องเห็นจิตเห็นใจตัวเองผมเข้าใจอย่างนั้นเห็นคนอื่นมีสิ่งมีของไม่ต้องจับไม่ต้องบายเอาของคนอื่น เมื่อเอาของคนอื่นคนอื่นก็เสียใจเหมือนกับของเราที่มีอยู่แล้วคนอื่นมาเอาเราก็เสียใจคนมีบุญมันต้องรู้จักอย่างนี้มันต้องมีศีลมันต้องมีธรรมประจําใจแต่ศีลธรรมนั้นมีอยู่แล้วแต่ไม่เห็นไม่เห็นศีลไม่เห็นธรรมความจริงอันศีลธรรมนั้นมันมีอยู่ในจิตใจของคนเราไม่เคยเห็นศีลไม่เคยเห็นธรรมคนนั้นก็เลยไม่เอาศีลไม่เอาธรรมไปใช้ถ้าผมเข้าใจอย่างนี้ คนบาปนี่ครับเห็นของใครก็เอาทั้งหมดเลยตะพื้ตะพือไปเลยอันนี้เขาบอกคนบาปมันกินเสือมันกินคือตัวกิเลสมันกินตั โ, โทสะโมหะโลภะมันกินจิตใจมันเศร้าหมองจิตใจมันสปกปลกจิตใจเป็นเป็นมนทินอันนี้แหละท่านทั้งหลายการเจริญนิพพสนาต้องเข้าใจให้มาดูต้นตอของชีวิตให้เห็นชีวิตจริงๆเมื่อชีวิตเราคิด ป, นะปุบขึ้นไปไม่ใส่สิริคิดนะตัวจิตใจมันคิดพุบขึ้นไปตัวจิตใจก็ต้องเห็นสิวิต ก, ก็ต้องเห็นสีวิตคือความมีอยู่สีวิตคือลมหายใจสิวิตคือการต่อสู้จะพูดยังไงมันก็ไม่จบครับคือสิริของเรานั้นมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วตัวจิตใจของเราจริงๆนั้นมันก็สะอาดสว่างสงบอยู่แล้วตัวที่ไม่สะอาดที่ไม่สว่างที่ไม่สงบ มันไม่ใช่เป็นต้นตอของชีวิตมันไม่ใช่เป็นต้นตอของใจมันเป็นอะไรมันวูบเข้ามามันมาชั่วครั้งชั่วขราวเท่านั้นเราต้องมองตัวนี้ให้เห็นให้เข้าใจดังนั้นคําว่าเห็นแจ้งรู้จริงนี่มันต้องเห็นว่าชีวิตเราสกรปรกไหมจิตใจเราสกรปรกไหมมีโทสะโมหะโลภะเข้ามาไหมหรือไม่มีเราต้องเห็นต้องรู้ให้เข้าใจอย่างนี้ เมื่อเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราก็พูดได้แต่ก็ดีพูดได้มีดีแต่ว่าเอาไปใส้กับเราไม่ได้อันนั้นเรียกว่าโมฆะบุลุษโมฆะสตรีคำว่าโมฆะแปลว่าใส้ไม่ได้ผู้หญิงก็เหมือนกันใส้ไม่ได้ผู้ชายก็เหมือนกันใส้ไม่ได้อันนี้ถ้านเรียกคนไม่รู้ว่าภาษาบ้า น, นผมเรียกว่าคนไม่รู้คนอวดดีผมเียว่าคนอวดดีม <úc> ันไม่ใช่มีดีแล้วเอามาพูดให้คนฟัง อันนี้แหละท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีที่ว่าพูดอวดอุตติมนุษย์ศาสนาคือธรรม อ, อันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในต้นมันเป็นอรรมัตปราดิกคําว่าปราดซิกนั้นหมายถึงหัวมืดหัมไม่รู้หามไม่เข้าใจขาดจากความเป็นทิศสู่ทิศสู่แปลผู้เห็นภัยเห็นภัยจริงๆเรื่องนี้เรียกว่าเห็นแจ้งรู้จริงเข้าใจจริงพวกเราต้องพยายามอย่าให้มันเห็นผิด ถ้าเห็นผิดไปแล้วเรียกว่าวิปสัสส น, น, นูถ้าเห็นผิดไปแล้วเรียกว่ากินตญาณถ้าเห็นผิดไปแล้วเรียกว่าวิปลายเราต้องเข้าใจศึกษาให้รู้ให้เข้าใจความสงบนั้นจึงมีอยู่สองแบบด้วยกัน <c oughs> ความสงบแบบหนึ่งสงบแบบทืไม่รู้อันใดอันนั้นเรียกว่าสงบใต้โมหะสงบอยู่นํากับโมหะโทสะโลภะสงบแบบที่ผมพูดให้ฟังในขณะนี้ อันนี้มันไม่ใช่เป็นความสงบมันเป็นความเห็นแจ้งแต่มันก็สงบสงบแบบใดสงบแบบควมหลงผิดสงบแบบโทสงบปราศจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะมันสงบแบบนี้มันอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยปัญญาสมาธินั้นไม่ได้หมายถึงการนั่งรักษาอย่างเดียวสมาธิหมายถึงการตั้งใจทําการทํางานดูจิต ด, ดูใจของเรา มันเป็นอย่างนั้นเท่าที่ผมได้ให้คอกคิดมาวันนี้ก็เห็นว่ามสมควรแล้วจึงขออยู่ดุดเขียนแทนนี้